รัง <c oughs> ทํากันตื่นตอนเช้ามีก้าวหลังยมตะานท่านสนมีก้าวหลังยามคืออะไรมีมรสีผลสี นิพพานหนึ่งตื่นขึ้นมากับความรู้สึกตัวมีงานมีการไปในกายไปในจิตตืนความหลงเป็นความรู้เป็นมรรคเป็นผลแล้วก็มีกระแสนิพพานได้ความหลงหมดไปแล้ว ความทุกข์หมดไปแล้วความปัญหาหมดไปแล้วเป็นปัญญาขึ้นมาว่าก้าวห 9. ลังยามมีงานมีการเรามีงานมีกายมีใจกายใจของเรานี้มวันท่านไปเกิดการขึ้นมาใช่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ใช่ถูกต้องก็เป็นโทษ ตาหูจมูกดิ้นกายใจมีความร้อนรูปลดกลิ่นเสียงอารมณ์เป็นความร้อนทำให้มันเย็นลงนี <c oughs> ่ว่าความร้อนเป็นความเย็นเป็นนิพพานเย็นจากมันร้อนอะไรต่างๆที่เกิดกับก า, ายกับใจเรามืส่สีผลสี มีสติเกี่ยวกับคกายเกี่ยวกับใจแล้วก็มาสาธยายทำพะสูตรตอนเช้าตอนเย็นผู้ออกไปทางวาจามอมีลมพ้อมกันออกไปพ่อมกันอามหายใจเข้าหายใจออก ความกัดคำอธิอธิยาจยิตใส่ใจตามเหมือ น, นกับธรรมจักเกิดขึ้นแล้วหมุนแล้วธรรมจักนี้ต้องเหยียบปิ่งที่ไม่เป็นทางให้เกิดเป็นทางได้เหยียบย่างความหลงเป็นความโูภเป็นทางไปแล้ว ออกจากนั้นเราก็แผ่เมตตาสร้างทางให้ชีวิตราบเรียบไม่มีอะไรขวางกัน้นคิดไปทางใดพูดไปทางใดทําไปทางใดไม่ไมีเมตตาไม่มีอะไรขวางกันไม่หลีเลือกที่ลักมากที่ชังแต่ไปถึงอะไรต่างๆไม่มีขอบเขต ให้มันเรียบนบาธรรมจัก <c oughs> เรียบธรรมจักเกิดขึ้นแล้วหมุนไปแล้วทำลายโทษภัยให้บวชโทษปลดภัยนี่เรียกว่าเข้าหลังยาม เมื่อใดเรามีสติรู้สึกตัวอยู่เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ก็กำจัดควมืดได้สติเหมือนแสงสว่างกลางวันกลางคืนแต่อาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างตอนกลางคืนกำจัดควมมืดได้ แต่ถ้าเป็นสติสว่างทั้งกลางวันกลางคืนนี่เรามีงานแบบนี้จปะปล่อยเมฆหมอกคือความหลงหมาปิดบังชีวิตเราไม่รู้เราไม่มีความรู้อยู่ในตัว ว, ว่าปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่เรื่องที่ มีศาละเราก็มีกายจริงๆล้วก็มีจิตใจจริงๆมีความหลงอยู่ที่กายที่ใจจริงๆมีปัญหาเรามีความทุกข์ยางเอาแล้วเรมีความทุกข์เป็นเบื้องหนะ้านี่คือปัญหาแล้วก็ทําให้หมดปัญหาเป็นปัญญาอย่างนีม้มีงานแบบนี้ ประโยชน์ตประโยชน์ท่านประโยชน์เกอโรคเราแค่นี้แต่ว่าอย่าให้มันแคบในชีวิตของเราเนี่ยให้มันสมควรเอาที่เราได้เกิดมาให้มันสำเร็จอะไรยกมาไหวตัวเองได้บ้าง ในงานมันการทำสำเร็จพ้นไปจากเดิมมันมีอยู่พ้นจากความหลงพ้นจากความทุกข์พ้นจากความโกรธพ้นจากปัญหาเป็นปัญญาพยามในงานมีการอยู่งานชวนตัวทำ ม, มันเสร็จเาทอดทิ้ง ถ้าไม่เสร็จมีภาระมีปัญหาคนดีกลายเป็นผีก็มีปัญหาเศรษฐีกลายเป็นยายจกตายเพราะมันมีอะไรที่มีภัยอยู่ถ้าเราทำมันก็สำเร็จมันเรามีอาชีพ มาค้าขายเลี้ยงชีวิตได้มั่นใจอาหนาทำนามีความมั่นใจยึดเป็นอาชีพสร้างครสร้างมีโลกมีเต้าอยู่ในโลกนี่อะไรที่เป็นอาชีพอะมันเรามีอาชีพของเราสิขาและทำเนี่ยโบนลงไป เป็นอาหารรู้สึกตัวลงไปใส่เมตตาลงไปรับความช่วลงไปให้เป็นชีวิตจริงของเรามีสติลงไปประกอบความเพียรลงไปไม่ไม่นไม่ฟรี่ ม, มีเรามีกรรมาฐานยกมือขึ้นรู้สึกตัวเดินไปรู้สึกตวัวเนี่ยไม่งานแบบเนี้ย มันก็มีผลเป็นมกักเป็นผลอยู่ในทัวรัวเก้าหลังยามแต่เป็นกราวาสผู้กองเรือนก็มีเก้าหลังยามหลายอย่างมีสวนผักสวนครัวมีพิกมีเขือในน้ามีปลาในน้มีข้าวไปหามาต้ำอยู่ทำกินอย่าซื้ อ, อยู่ซื้อกินอย่าขออยู่ขอกิน มีอะไรที่เกิดจากชีวิตเหล่านี้มันทําได้ปลูกเขอก็เป็นเขือปลูกพริกก็เป็นพริกปลูกเห็ดก็เป็นเห็ดปลูกผักก็เป็นผักนีอะไรยามยามสวนผักได้ผักมายามสวนพริกได้พริกมายามสวนเขือได้เขือมานี่มันก็ไม่อดไม่ยากไม่ทุกข์ไม่ยาก ถ้าเราไม่มีอะไรทำมันก็อดอยากทุกยากมันก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของสัตว์โลกของคนเราโดยพวกคนเหล่านี้มันเป็นสัตว์ที่อภรพตไดใช่ไม่เป็นนะขนก็ไม่มีอาศัยป้องกันขนตกก็ไม่ได้แร่ตกก็ไม่ได้ถาวก็ไม่ได้ต้องอาสัยอื่นเอาผ้าเอาอะไรมาห่มมาหอ่อ มีที่ออาศัยตั้งบ้านสร้งเรือนทำลายธรรมชาติเ <c oughs> จากต้นไม้ไม่เป็นต้นเสาดูซินึกว่าเราเจงหรือไม่ใช่เจงเลยแต่ขอขอมามาทำบ้านมาถากเป็นเสามาทำเป็นหลังคาเอาสัยจึงอื่นมาต่วนนกส่วนอันอื่นมันเอาใบไม้แห้งๆไปทำลัง ดังนั้นเราให้มันคุ้มค่าที่เราใช้ปัจจัยต่างๆเอามาพัฒนาชีวิตเติ้รส่งคืนเวียนคืนกับเขาให้มันคุ้มค่าเพราะมันจะเป็นบาปบียดเป็นตนไม่พอเบียดเป็นคนอื่นเบียดเปยนสิ่งอื่นเราจะอยู่นิ่งไม่ได้ชีวิตแต่ล้วชีวิตนี่มีนี่ทั้งนั้นมีพ่อมีแม่ นี่ดินฟ้าอากาศเราต้องอาศัยจึงเหล่านี้มีคนช่วยเหลืออย่างหลองตาเนี่ยมีนี่ทั่วหัวไม่รู้จะใช้นี่อย่างไงในชาตินี่มีกี่ชาติมีคนช่วยเหลือก็อมีชีวิตอยู่ก็ขอใช้นี่โดยการสอนธรรมะเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ มันก็อยู่ในสภาพที่แก่เท่ามันกลับไปเป็นเด็กอีกเด็กก็ไม่เคยอะไรมันนอนกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอน <c oughs> แต่นั่นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วหมดเลื้ยหมดแรงแรงน้อยลองใช่มากไม่ได้ ขอแค่นี้พูดสู่กันฟังเท่านี้นอกจากนั้นมันมีอีกแล้วจะหวังอะไรเลยฮะเป็นผู้อาศัยพวกท่านทั้งหลายเชื่อกันทำความดีให้ต่อขยายไปมากๆมันพูะเจ้าตื่นขึ้นมาจะช่วยใครเนอะ จะมองถึงใครเนาะพอที่จะช่วยได้เนอคิดจะช่วยแต่คนอื่นกินข้าววันล้ําบาททางานมากคิดจะช่วยแต่คนอื่นบางที่ก็มันมีความสงสารไม่มีความเพลิดบางที่เห็นไก่น้อยขึ้นต้นไม้กับแม่มันไม่ได้แม่มันเป็นขึ้นต้นไม้มันก็วิ่งโล่งอยู่ข้างหลาง มันบินไม่ได้แต่บินตรงขึ้นไปสูงสูงเหมือนแม่มันไม่ได้มันก็มีสมองนะไก่น้อยมันวิ่งหาทางมันไปค่อยปีนขึ้นต้นสูงสูงต้นไกลๆนั่นค่อยๆไต่มาฮะเอ๊ไก่น้อยก็ยมีปัญญาสามารถมานั่งอยู่ในอกของแม่ได้สูงสูงมันไปไต่จากต้นต่ำๆก่อน เรานี่ก็เพียรพยายามเถอะเวลามันหลงต้องลู้ได้เวลามันทุกข์ต้องไม่ทุกข์ได้เวลามันโกรธไม่โกรธได้ไมันจะขนาดไหนเพียรพยายามมีสติลงไปใส่ใจลงไปทาไมปบ่อยก็เรียบลงมาได้ของหนกักกลายเป็นของเบาของยากกลายเป็นของง่ายไม่เป็นไรเห็น เห็นทุกไม่ใช่เป็นผู้ทุกมันจะง่ายกลัวที่เป็นผู้ทุกเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงเห็นมันอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยถ้าเห็นแล้วมันเก่งง่ายๆถ้าเป็นมันไกลเล็กเกินเหมือนไก่น้อยบินดูนะดูแม่ล่องอยู่ตน้นไม้สูงๆโน่นนีมันจะบินก็นตรงนี้มันบินไม่ได้ มันก็ไปไต่มาเลยเห็นทุกเห็นทางเห็นมันไม่ใช่ไปทําอะไรแต่เห็นแล้วมันแสงสว่างกําจัดความมืดได้เหมือนเราสวดเพื่อสูตรพร้มเพื่มีสติมีเพียรเพ่งอยู่อะไรก็ย่อมเป็นไปเองความทุกข์เป็นไปเองความโกรธเป็นไปเองความหลงหมดไปเอง มีสติแล้วเหมือนแสงสว่างกำจัดความมืดสันได้เรามีสติเนี่ยก็เห็นแล้วมันก็ผ่านได้เราจึงมาทํางานอันนี้งานอันนี้เป็นงานยิ่งใหญ่เป็นงานที่มีศักดิ์ศรีเป็นงานที่มีเกลียดได้ไมีเกียดหนำะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะตัวเอง ประสบที่ถุดในโลกมันหลงชนะความหลงมันทุกชนะความทุกมันมีความโกรธความอะไรต่างๆชนะได้ลาบไปเลยเลือกที่รักมากที่ชังลาบไปเลยเอาเป็นแหลกไปเลยอะไรทำสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุก อะไรไม่ใช่ตัวใช่ตนสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของตเต اؤ แหลกไปเลยแหลกไปเลยเนี่ยอันนี้ว่าทำสัพเพ ธ, ธ ร, รรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ขวรยึดมัน่นถือมัน่นเอาให้มันแหลกไปเลยอย่ามีตัวมีตนกับรูปกับรสกับกินกับเสียงกับตากับหูกับกายกับใจนั่นแหละสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารมันปงปุงต่างๆตันสึ่งใดที่ไม่ปรงไม่แต้มก็เป็นสังขารไม่ใช่ตัวใช่ตน ต้งหมดต้องสิ้นไม่ขวนถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรามันแหลกไปเนียแหลกจริงๆไม่มีที่ตั้งทุกไม่มีที่ตั้งโกรธไม่มีที่ตั้งหลงไม่มีที่ตั้งกวามรักความชังไม่มีที่ตั้งมันแหลกหาที่ตั้งไม่ได้แต่เบิ้ตั้งที่ไหนล่ะมันตั้งมาอยู่มันมันไม่มีอะไรให้ตั้งแล้ว จึงไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยคือมันนั่นแหละคือไม่ยช่ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราสติมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้มันมีที่ตั้งกลกายก็มีอะไรตั้งอยู่บนกายนี่เยอะแยะ ความร้อนก็คูความหนาวก็กูความหิวก็คู่ความปวดก็คู่ความทุกข์ก็คูความสุขก็กูมันมีที่ตั้งเรเห็นว่ามันไม่ใช่กูมันเป็นจักแต่ว่าเนี่ยนี่แหละสติมันมันสว่างแบบนี้จักแต่ว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา สมน้ำหน้ามันใะไรมันจะตั้งมันเหมือนกับอยกมันจับจากตูดเลือดเราเราโอไม่ปล่อยหางมาวีไปหัวปักไปนน่นตมน้ำหน้ามันมันมาตั้งไม่ได้ไม่ให้มีกูอยู่บนกายร้อนก็ไม่อยู่บนกายหนาวานกวไา็ไม่อยู่บนกายเจ็บปวดหิวอะไรต่างๆไม่อยู่บนกาย นั้นไม่มีให้อยู่ก็เราไม่รู้ก็อยู่ได้กูต่พุทธแต่เพือเกิดอยู่ที่กายนี่เยอะแยะหลายพบหลายชาติที่อยู่ที่จิตที่ก็มีหลายภบหลายชาติอะไรที่เกิดจากจิตถือว่าเราท่องหมดถือว่ากูท่องหมดมีแต่พวกแต่ชาติเกิดตับเกิดตอบ ถ้ามีสติมันกไมมลงไปเปิดลงไปสว่างลงไปเห็นแจ้งเห็นแจ้งไหนกายเห็นแนจ้งไหนจิตหรือว่าวิปัสนาบทำไมมันจะไม่แจ้งเราดูมันอยู่มันก็มีเรื่องเก่าทั้งนั้นแหละไม่มีเรื่องใหม่งอกงามขึ้นมาอันเก่าหลงเรื่องเก่าทุกเรื่องเก่าสุกเรื่องเก่า มันไม่มีตัวมือตอนนความหลงความสุขความทุกข์เร่องเก่าๆเราจะปล่อยให้มันหลกเป็นไปอนำนาจอยู่ในรัวตัวเราได้ยังไงในงานแบบนี้เรามันไม่ใช่งานที่มีหลักฐานามีหลักมีฐานแน่นอน เห็นเหตุเห็นปัจจัยแน่นอนหรือ ว, ว่าอาริยสัจสีพเจ้าเห็นอย่างนี้จริงต่างๆเกิดแต่เหตุตับที่เหตุอย่างนี้ถ้ามีสภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยมันพร้อมมันพร้อ ม, ม, อมที่จะเห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไปเป็นผลส่วนมาก ทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยหลงก็หลงไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยรักก็รักไปเยอะเลยดีใจเสียใจก็เป็นไปเลยเหมือนเราอไม่ไปเหย่หมาหมามันโกรธว่ามันกัดไม้มีเคยไหมเอาไม่ไปเหย่หมามันนอนอยู่มันโกรธว่ามันกัดไม้นอนมันไม่เห็นว่าไไม้นี่มันเกิดมาจากอะไรมันมาเหย่อเราอยู่เนี่ยที่แท้มันโขดเราไม่ไปเหยื่มัน แต่ที่มันจะมาโกรธคนมันไปโกรธหมาเจ้าลิ้ยงเนี่ยเขาเขาทำให้ลีงโกรธเอาขี้ไก่ยื่นใส่ไม้ไปให้มันจับมันก็จับขี้ไก่จับขี้ไก่อยู่ไม้มันก็เหม็นมันก็โกรธมือมันมันก็เอามือมเช็ดจนเลือดออกเลย ลรามาดมก็เช็ดอยู่เนี่ยมันโกรธขี้ไก่ที่มันติดมือมาแล้วเราเนี่ยมันก็ความโกรธเป็นความโกรธมันไม่ใช่ความโกรธเป็นความโกรธมันมาจากที่อื่นเวลาเราโกรธก็แต่งไตามความโกรธความโกรธก็พาไปไกลแต่เลี่ยงมันโกรธนั้วไม่พาไปไกลมันก็โกรธให้เหม็นเท่านั้น มันก็มือไปเค็ดมากจนเลือดมือมันออกมันก็ยังดมมันก็เหม็นมันก็โกรธของมันเองโกรธให้มือตัวเองไม่ใช่โกรธให้คนโตไม่ใส่ขี้ไก่พให้มันจับหมาของมันกัะเราไม่ใช่ลิงไม่ใช่หมามีเหตุอที่มันทุกมันมีเหตุมันหลงก็จะคว่ำหลงเท่านั่นเอง ทำไมจึงหลงเพราะไมร่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบหาเวลาไม่ได้ทำไมไม่มีเวลาเอาเวลามาของก้านมันยากมันยุ่งยากอันความรู้มันใช่เวลาเป็นอารฉวยโอกาสบอกแล้วอย่าหาเวลาอ้าหาเวลามันไม่มีต้องเขืโอกาส ความหลงอยู่ที่ใดความรู้จิตนั้นตรงกันข้ามมันมีตรงกันข้า ม, มง่ายมันมีตรงกันข้ามมองแบบตรงกันข้ามเหมนจิตตถะอายุสิบหกพรรษามองเรื่องเกิดแก่เจ็บตายตรงกันข้ามถ้ามีเกิด ต้องมีไม่เกิดถ้ามีเจ็บก็ต้องเจอะก็มีไม่เจ็ะถ้ามีเจ็บต้องมีไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีไม่ตายม อ, องตรงข้ามอะไรต่างในโลกนี้มีตรงกันข้ามเช่นชลาลงทานมีตรงกันข้ามทางทิศเหนือเีว่าลงแยกขยะ ตรงกันข้ามทางเดินใต้หรือว่าที่รางถ้วยรังชาห้องน้ำหญิงไปดูก็เห็นทันทีไม่ไปก็เห็นทันทีสำหรับผู้ที่เคยใช้ถ้าไม่เคยใช้ก็ไม่เห็นถ้าเลยใช้ความถ้าเราเคยใช้ความรู้จึกตัวเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับความหลงถ้ามีความหลงก็ตรงข้ามความรู้จึกตัวมันไม่ตรงจนตรงนี้ล้วจะย้อมจนแค่นี้ได้อย่างไง ถ้ามีทุกข์ก็ต้องไม่มีทุกข์สิแต่ต้องตนในความทุกข์ทำไมรับใช้เหมือนทำไมถ้ามีความโกรธต้องไม่ความไม่โกรธเสียไปรับใช้ความโกรธทำไมเจืไดาบางผู่บางคนเฉือเฉยอหายพระความโกรธเจยอเปียบความโกรธพอให้ทำอะไรที่ผิดพลาดเยอะแยะเลยเดี <c> ๋ <oughs> ยวไปจน ฮะเรื่สตินี่นะเราก็เคยหลงเคยรูอยู่เนี่ยเห็นไหมเวลามันหลงมีความรู้สึกตัวได้ไหมต่ำน่อยทุกคนไม่มีใครทำมาได้ถ้ามีกรรมฐานแบบเราทำอยู่เนี่ยมีสตินี่นมนความพอใจและความไม่พอใจถอนความพอใจและความไม่พอใจในลูกออกเสียได้นี่ได้ยินไหมเราสวดไหม ไม่ชี้น้อยในสวดไหมอ่าติวทานกายากายยีนุปสัสสีเห็นลติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํอ่าตอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มีสมัมปชัญญะมีสติตอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ให้โรงงานของเรามีให้เราทำอยู่มีไหมความพอใจความไม่พอใจอะไรที่มันเกิดขึ้นกับการกับใจนี้ให้มันแหลกไปเลยอย่างนี้เรียว่างานกับวัฏฐานเราปฏิเสธไม่ได้จะปล่อยทิ้งไว้ถ้าทำไมสำเร็จก็เป็น ประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปเหมือนสัตว์มีหลบภัยอ่าหลบภัยเป็นนอนเป็นกินเป็นเฉบกามเป็นมีแค่นั้นหรือมันไม่ใช่มนุษย์ มันดีกว่านั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐกว่านั้นถ้าแค่นั้นก็เป็นสัตว์ที่ไรฉานบ่ายต่อไปรู้จักหลับนอนรู้จักหลบภยลัยรู้จักกินรู้จักขับถ่ายรู้จักใส่พันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นชีวิตเราเนี่ยมันสัตว์ประเสริฐมันยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าเอาแค่นั้นล่ะมีค่าอะไร <c oughs> นี่มีศาสนาะมีคำสอนมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่นอกก็ต้องมีปัญญาอะไรที่มันเหนือกว่าสัตว์ทั้งน้อยเหมือนกับเสือเท่าสอนลูกเสือเท่ามันจริงมันสอนลูกมันใ้โลกนี้ ให้กลัวเฉพาะคนนะอันอื่นไม่ต้องกลัวหรอกเราเป็นเสือเขี้ยวก็ยาวเล็บก็ยาวกำลังก็มากแต่ว่าหน้ากลัวที่สุดคือคนเสือเท่าพ่อพ่อเสือมันสอนลูกมันไอเสือหนุ่มน้อยพอโตขึ้นมาก็ยินคำสอนของพ่อ ก็อยากรู้ว่าคนมันเก่งขนาดไหนถามพ่อว่ามันมีเล็บเหมือนกับเราไหมไม่มีเล็บสั้นๆมันมีเขี้ยวย้อมันเราไหมไม่มีเขี้ยวสั้นๆเนื้อหนังมันมีขนมีแข็งอะไรขนาดไหนเนื้อหนังก็ไม่มีบางๆยุ่งกัดก็เจ็บ แล้วมันน่ากลัวตรงหนก็น่ากลัวคือมันมีสติปัญญาเสือเท่าเือเสลือเท่ากับตายไปเหลือแต่ลูกชายก็ยินพ่อสอนนะครขอยจากลูกคนมันจริงขนาดไหนให้เรานิทานไหมเออเออโตขึ้นมา กระโดดจับสัตว์จับไหล่ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารขนาดตัวขนาดควายตัวใหญ่กวาเสือมันจับได้ตัวคนมันขนาดไหนพ่อบอกว่าเล็บมันก็ ม, มีเขี้ยวก็ไมมหนังก็ไม่มีตัวคนก็ไม่โตเหมือนเราไปเตือนไปไปถามควายนี่เป็นใครเนี่ยเราเป็นควายเนแค่นี้เองเหรือควายนี่แหละเราจะ กินเป็นอาหารก็กินอยู่แล้วไปเห็นหวัวนี่ใครนี่ก็เป็นวัวเดินไปเดิน ไ, ไ, ไปเห็นคนอยู่ทุกนาไปถามอ่ะนี่เธอเป็นใครเราเป็นคนโอ้ยดูท่าทางก็ไม่น่ากลัวเลยคน่ะหนังก็ไม่มีขนก็ไม่มีอะไรเล็บเขี้ยวไม่มีเอามาพ่อเราบอกว่า น่ากลัวกลัวตรงไหนหน่อคนนะ่ะแค่นี่เองก็เสือบอกว่าเราจะกินคนจ้ะเราจะกินเธอแค่นี้แล้วัาดคอขาดบาดเดียวเลยเอาเล็บเขียนขาดไปหมดเลยก็ได้เขาบอกว่าเราจะกินคนนะเอากินกันยังไงเห็นกันก็กินกันได้ยังไง น่ทานต้องพูดกันเป็นนะแต่กินอย่างกินก็ไปบ้านเราร้วยที่ไปดูบ้านเรือนเราสักหน่อยว่าอยากรู้ว่เราอยู่กันยังไงส่วนเสือเดินเข้าไปในบ้านคนก็พอเดินดูว่าน้องน้ํำมองครัวห้อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอาหารที่เราที่นอนนี่ที่นอนของเราเดินไปห้องน้ำนี่ห้องน้ําของเราพอเดินไปห้องน้ํา ก็มีกำแพงมีอะไรมีประตูเข้าไปดูที่ห้องน้าเรานะเสือก็เข้าไปคนก็ปิดประตูแล้วเสือก็ไม่เห็นคนอ่ะ ล, ล่องออกมาปล่อยแล้วที่ปล่อยแล้วที่แล้วจะไปกินคนอ่ะปล่อยแล้วปล่อยแล้วคนก็เปิดหน้าเปิดหน้าต่างมีลูกกรงเลยเอาหอกไปแทง แทงเสือนอยู่ในห้องน้ำเสือคนยังบอกว่าเปิดลราเหวินเรามาแทงทําไมเราจะกินเจ้าเนะี่ยเราจกินคนนะวันนี้ทูเสือนอกก็ตายไปเลยพอก็อย่าตายโอ้เหลือมคําพ่อสั่งเสียใจพ่อสั่งว่าให้กลัวคนนะระวังคนนาะเราเนี่ยมันสุขสนเกินไปไม่ส่องคําสอนของพ่อพ่อเลยต้องตายในห้องน้ําของคนนั่นเอง เนใครจะมีปัญญาล่ะคนต้องมีปัญญาออกจากทุกเป็นแล้วมันหลงเปลียนควบหลงเปรียควมรู้เป็นอย่างนี้นะเวลามันกรเปลี่ยนกรเป็นความรู้เนี่ยจริงจะเป็นคนเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์ใช่ไหมอันนี้เดี๋นิทานนะนิทานประกอบมันสำคัญขนาดไหนเราเนี่ย มีปัญญามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับจะให้มันจนแล้วนี่ทำไมเราไม่โอกาสทำได้กว่าสั ต, สตว์เสือมันงูมันไม่มีปัญญาแบบไม่เหมือนเรามีสติมีปัญญาแบบเนี้ยมันจีเป็นสัตว์ประเสริฐ มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกมันทุกเป็นทุกเป็นลูกเป็นโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นลูกไม่ต้องให้ควมโกรธคงหลงในย่อมยีไปจนตายเปลี่ยนเสือตั้งแต่หนมนมทำให้ร้อนมันเย็นลงตื่นเช้าเข้าหลังยามยามพระประธานตายพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ สินธานภาวนาเมตตากรุณาอ่อยในใจคิดในหลงในเรื่องความหลงเป็นความหลงคิดถึงเรื่องปรุงเรื่องแต่งตับใช้ความรักความจางความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงโูกที่ลักมักที่ฉันอยู่ตมม่ำมัยกรดกอกลุยมันแหลกไปเลย <c oughs> ในจิต จิดถึงใดประกอบด้วยเมตตาทำจึงใดประกอบด้วยเมตตาผู้จึงใดประกอบด้วยเมตตาตั้งต่อหน้าและรับหลังในเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดเลยสัตว์อะไรต่างๆตุกไม่มีขอบเขตชีวิตในโลกเนี่ยแพย้ไปให้จิตใจเราเลี้งไปได้อย่ามีแต่ขิงขวงขัน้นจอพอใจแล้วเพราไม่พอใจ าก็เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม่เห็นสอนความบอใจแล้วเขามาพอใจในโลกเสียได้โลกมันมีรสชาติโลกมีรสชาติมันมีรสชาติแสเผ็ดความบอใจก็เป็นรส ข, ข, ข, ของโลกความไม่พอใจก็เป็นรสของโลกอรสของโลกไม่ใช่เรามันมีอยู่แต่เดิมย่าไปหลง รอบยศสนเสริญนินทาสุขทุกข์เสื่อมรล่าเสื่มยศนั่นเป็นสมบัติของโลกมันมีมาก่อนเราแล้วให้เหนือมันให้ดูเหนือโลกกระทำเดียวว่ า, ามนุษย์ก็สูงขึ้นไปก็เป็นพระบัะเซิฐที่สุดเลยมันก็เกิ้ต้นจากการ ปฏิบัติธรรมในกรรมฐานนี่มันก็มีภาษาสดาจะแดงไวจ้งจ้งอยู่สองปอหน้าร้อยเข้าสิบกว่า ป, ปีมาเนี่ยเราเคยได้ยินเกิดมาก็ได้ยินคำสอนพ่อแม่ให้กลัวบาปให้ทำแต่บุญทำอะไรก็กลัวบาปอยากได้บุญ ตอนนี้ได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดตัวได้ทุกคนไม่ปฏิเสธมีภาษามีพารลัตต์ตงมีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เอาให้มันแจ้งดูสิเนี่ยมันเป็นการบ้านของเราบุญคือะไรบาปคือะไรพระพุทธระธรรมพระสงฆ์คืออะไร ด่เราก็เสียใจพระผู้ทงหลังหลวงตาเสียใจมากพระพระสงเนี่ยจึงได้ศึกษาเรื่องนี้กันเราก็นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่บ้านทุกปีประชุมกันแต่นิมนต์ท่านมาเวลาเข้ากันยุคเงินฉางต้องเอาข้าออกไปวัด แต่ก่อนบ้าหลวงตามเป็นอูขนะ่ข้าวอู่น้ํำใส่ข้าวเยอะตอนที่ซื้ข้ามากินต้องเอาไปวัดก่อนหาปอกฟางข้าวที่อาไปวัดเอารีบไม่ได้ต้องฝัดออกเอาเข้าดีๆให้แต่ปลุกปลอกแข็งแตงคัวเข้าโพดในเล่ยในสวนลูกใด่เทียนงามต้องเอาไปวัดก่อนแม่บอก เราเพิ่งเอามากินเอาไปวัดก่อนอะไรที่มันดีเอาไปวัดก่อนเนี่ยเขากินได้ก่อนที่จะเข้าเครื่องฉางเอาไปวัดก่อนแที่เขามากินได้มันก็ได้ข้าวเยอะเราก็ขายข้าวให้พระสมัยก่อนเป็นนี้บ้านหลงบ้านหลงตานะขายข้าวก็ได้เงินเยอะมอบให้พระพระก็ได้เงินได้ทองหล่ะ นี่หลองตาก็เห็นพระที่เสียใจกพระพระเวลานั่นก็ไปหาควายควายไม่เข้าโคกตอนเย็นแล้วค่ำแล้วก็เดินหาควายตามทุ่งนาไปเห็นเห็นผ้าจีวรวางอยู่ขอบสะยังไม่มืดเท่าไรนะเดินไปดูเอ้ผ้าจีวรอะไรมากองอยู่ขอบสาเนี่ย ก็จีอบองเลื่องเลืองเยเดินไปดูไปส่องดูในสระเห็นพระพากันงมป่าอยู่ในสระสามสี่โลกทิ้งขึ้นมาดิ้นอยู่ก็มีเปิดช่อนตัวบนขอบสระแล้วก็ดูเป็นพระแน่นอนขีบองก็บางก็โอ้เราเสียใจเ้าอุตส่าห์อูทธรบ่าบอ ง, บอ ง, บองมาพระมาทําอย่างนี้เนอะ เราเป็นโยมไม่กล้าทําแบบนี้เสียใจไหม <c oughs> อะไลคือพระฮะไหวพระพุธใหญ่ถูกทองคํำมีแต่ได้ยินโบราณไหวพระธรรมใหญ่ถูกตําลาไหวพระสงฆ์ใหญ่ถูกพระลูกพระหลานถูกอะไรล่ะพระพุธคืออะไ ร, ระออะไหวธรรมเกินลายพระสงฆ์เกินลายนี่แหลบออะบุญเกินลายหมาเกินลาย ได้ยินจิตศพมีหลวงพ่อเทียนอยู่มืองเลยสอนเรื่องนี้จะรู้จักบุญจักบาปจะรู้จักพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เลยไปศึกษาหลวงพ่อเทียนสี่ห้าสิบปีผ่านมาเนี่ยจึงมารู้จักบ่าโอ้รู้จักศาสนารู้จักบุญรู้จักบาปน <c oughs> <c oughs> ะ รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้จักศาสนารู้จักพุทธศ า, ธาสนาเนี่ยก็ได้ศึกษาเรียนตามพ่อก่อตามครูมาก็หลวงพ่อเทียนสอนรู้จักพระพุทธเจ้ายัางสุดหัวใจมีความรักพระพุทธเจ้ามากพระธรรมพระสงฆ์จนเธอออกมาปวดแบบเนี้ย ขอให้ได้พูดเรื่องนี้กันบ้างทดสอบมีวัดมีว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์รเลยแถวนี้ก็ขอพูดเรื่องนี้กับพวกเราบ้างตามท้งควรอย่างอย่างมากก็ตอนเช้าตอนเย็นก็หมดแรงนะหนอหนออะท้องคว น, น, น, นเจเวลาอะไรวันนี้กับพระพ่อเองก่